งานแสดงสินค้าเปิดทุกวันจันทร์ใช่ไหมคะก a รอ r a เรล i าฟิลด์เดย์ยูนสิทรศการเปิดทุกวันอังคารใช่ไหมคะ q ก és obert a l'exposició อ l dimarts สวนสัตว์เปิดทุกวันพุธใช่ไหมคะการออฟเรลลูโลจิกล์ดิเมครัสพิพิธภัณฑ์เปิดทุกวันพฤหัสบดีใช่ไหมคะ ก็ออฟเรลด์ม oh, e, ูเรเวลดิเจ้าส์หอศิลป์เปิดทุกวันศุ n ร์ใช่ไหมคะสามารถถ่ายรูปได้ไหมคะ s part f o t o s ต้องจ่ายค่าผ่านประตูไหมคะตรค่าผ่านประตูราคาเท่าไหร่ค วันค่าตั๋วล็อตการ์ดมีส่วนลดสำหรับหมู่คณะไหมคะมีส่วนลดสำหรับเด็กไหมคะมีส่วนลดสำหรับนักศึกษาไหมคะนั่นตึกอะไรคะ ที่ใ s คือ i าคารตึกนั้นสร้างมากี่ปีแล้วคะดั edifici ใครเป็นคางตึกนี้คะ i ิดว่ากุญสตร a ยอาค t e ตึกนี้ดิฉันสนใจในสถาปัตยกรรมมทัคดิฉันสนใจในศิลปกรรม ดิฉันสนใจในจิตกรรมม s a la pintura